จะหยิบหนังสือซีดีไปได้นะหนังสือแจกหนังสือซีดีถ้าใครต้องการก็หยิบไปเอาไปอ่านเป็นเหมือนแผนที่พวกเราเป็นเหมือนพวกเดินทางหาบ้านเราเราอยากจะกลับบ้านกันแต่ยังไม่เจอบ้านยังติดอยู่บนถนนอยู่ติดอยู่แถววงเวียนอนุสาวริเวียนอยู่นั่น อ, ะอ่ะเพราะไม่มีแผนที่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 ถนนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาสังกปร์ความคิดที่ถูกต้อง <c oughs> สัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามุ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 เราต้องมาศึกษาว่ามรรคแดมีอะไรบ้างในตัวเรามีหรือยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเช่นความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี้เรามีหรือยังความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เราอยัง ทำบุญทำบาป ก, กันอยู่เรายังกลับมาเกิดกันอยู่ตายแล้วเรากา็กลับมาเกิดใหม่อันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเห็นว่าเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากสาประการคือความอยากในรูปเสียงเกียรติลความอยากในรูปเสียงกียรติลเลยทําให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องมามีร่างกายถ้าเราไม่ต้องการจะมีร่างกายเราก็ต้องหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นิดหยุดในความอยากได้ราบยศสารเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรที่ที่ทำให้เรามีความสุขมันเป็นความสุขปลอมเพราะ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 เพราะความอยากมีร่างกายต่อไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็เพราะเราทำตามความอยากกันเราตอนตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยอยากอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทา น, นวาความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปทำบุญทาบาป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 เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากของพวกเราแล้วเราไปเกิดสูงเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันทุกข์ก็อยู่ที่การกระทาของเราเราทำบุญเราก็จะมีความสุขเราทำบาปเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาป เราจะทำบุญแล้วเราจะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปอันนี้ก็จะเป็นความคิดของเราถ้าเรามีความเห็นว่าการที่เราต้องมาเวียนว่ายตาเกิดเพราะความอยากถ้าเราไม่อยากเวียนว่ายตาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากถ้าเราไม่อยากไปเกิดอบายในอบายเราก็อยากไปทำบาปถ้าเรายังไปไม่ถึง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 ข็ให้ไปที่สวรรค์ก็ยังดีดีกว่าไปอบายไปสวรรค์ไปพักผ่อนไปเที่ยวแล้วพอบุญที่เราใช้ไปสวรรค์มันหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําบุญมาละ บ, บาปมาชําระความอยากต่างๆกําจัดความอยากต่างๆไปงั้นถ้าเราอยากจะ ในทางที่พระเจ้าสอนให้เราไปเราก็ต้องมาละการกระทําบาปสมามะกัมมันโตคือการกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด ต, ตัวเองนี่อันนี้ก็เรียกว่าการไม่กระทําบาปเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องไปอบายแทนที่จะไปนิพพานถ้าทําบาปก็จะไปอบายแทน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 ต้องพูดความจริงไม่ไม่พูดคำคำเท็จไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ไม่พูดส่อเสียดนี่อันนี้เป็นธรรมะรรมาว่าจาการพูดที่จะทำให้ไม่มีไม่มีโทษกับเราไม่ทำให้เราต้องไปใช้กรรมในบายก็คือ ไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพเจ้ไม่พู ด, cher, พดส่อเสียดและอาชีพสา ม, มาชีโก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเช่นเราจะไม่ทําอาชีพยิงนกตกปลาห า, หาสัตว์มาฆ่ามาขายค่าขายด้วยชีวิตของสัตว์ต่างๆ หรืออาชีพที่เกี่ยวกับอาวุธหรือสิ่งที่จะไปทำาใช้ที่จะไปใช้ทำลายชีวิตของผู้อื่นปืนผาหน้าไม้มีดอะไรต่างๆที่จะไปทำให้สิ่งที่มีชีวิตนีนเสียชีวิตไปเราก็จะไม่ทำอาชีพเหล่านี้อาชีพที่ขายสิ่งมึนเมาก็ไม่ทา ว่าจะทำให้คนดืมเมื่ อ, อเมาแล้วก็ไปทำบาป ก, กันไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อาทีที่ขายสารพิษต่างๆที่ทำให้เขาไปฆ่าสัตว์ด้วยสารพิษมแมลงสัตว์ไดต่างๆนี่คืออาชีพที่เราไม่ควรจะกระทำไม่เป็นสัมมาชีพสัมมาชีพอาชีพอย่างอื่นเช่น เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นครูเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าสามาอาชีพแล้วสัมาวายาโม ค, คือความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือขยันทาบุญขยันละ บ, บาปขัยาขยันกำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจเรีว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบแล้วความระลึกชอบคือสัมมาสติก็คือให้เราฝึกสติให้อยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อจิตของเราจะได้สงบและระงับความอยากต่างๆได้เช่นให้ราลึกอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมา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 หรือวาแต่อุเบกขาความว่างความไม่มีรักชังกลัวหลงอันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดคือมีสัมมาสมาธินี่คือมรรคที่มีองค์แปดที่พระเจ้าส่งค้นพบว่าเป็นทางที่จะพาเราไปสู่บ้านของเราไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ต่างๆต้องมีมรรคเป็นองค์แปดองเป็นองแปดนี้ท่านก็ย่อ ม, มาเป็นสาทานศีลภาวนา น, นี่ก็เป็นมรรคเหมือนกันเพียงแต่มาเพิ่มทานคําว่าทานก็คือให้เราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราใช้ต่างความอยาก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 เราก็จะทำบุญกันได้แล้วก็ทำให้เรารักษาศีลได้ไม่ทำบาป ก, กันเพราะคนทำบุญจะไม่ชอบทำบาปทำบุญอยากให้คนอื่นมีความสุขงั้นพอทำอะไรที่จะทำให้คนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อ น, <S <S นก็จะไม่อยากทำ <S <S ก็จะรักษาศีลได้ง่ายจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ต่อพูดผิดต่วแหวนนี้ ไม่พูดปดเนอันนี้ก็จะได้สามมาวาจาสัมมากรักมโตก็เรียกว่าเป็นมรรคเหมือนกันแล้วพอเรารักษาสีนได้จากสีหน้าเราก็จะเพิ่มเป็นสีแตถ้ารักษาสีแตได้เราก็จะมีเวลามาฝึกนั่งสมาธิฝึกเจริญสติ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 แต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเออนอย่ า, ยาไปมีอะไรดี ก, กว่าเพราะของทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเช่นราบลดสรรเสริญโลกเสียงกลิ่นลดบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเวลาไม่มีเราก็อยากได้พอได้มาแล้วเราก็มาทุกข์กับเขาทุกข์เพราะกลัวเขาจะจากเราไป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 ถ้าเรารู้จักทำให้มันเกิดขึ้นเราก็จะทำมันได้เรื่อยๆเพียงแต่ให้มีสติเท่านั้นเองให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่ตางๆได้จิต ก, ก็จะสงบแล้วก็จะอิ่มจะพอจะไม่อยากได้อะไรพอมีความอยากก็ใช้ปัญญามาเตือนว่าอย่าไปอยากอยากลบทุกข์ทุกข์ตั้งแต่อยากพออยากวก่า ก, วก็อยู่ไม่เป็นสุขแ่้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 อยากได้าดลาบยศสารเสริจอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากอะไรต่างๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้เราต้องกาจัดมันไม่ไงั้นมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพาให้เราไปกลับมาเกิดใหม่นีน่ก็คือมรรคแปดเหมือนการทานศีลภาวนาทำทานไปมีเงินมีทองแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปทำบุญ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 นั่งไปได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวเพราะอึอดอัดหรือเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาถ้าใจมีสติไม่คิดอยู่กับพุโทโธไปนี่มันจะไม่มีอาการ อ, อึดอัดจะไม่มีความรู้สึกอยากจะลุกร่างกายจะเจ็บมันก็ไม่สนใจมันจะอยู่ได้ัต้องพยายามฝึกสติต้องรักษาศีนแปลกับฝึกสติถึงจะนั่งสมาธิได้ผล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 เราเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับ ม, stop. มันเวลามันหายไปเลยเวลาต้องคอยดูแลรักษามันอย่าไปอยากยา ก, ก่อนก่อนที่จะเลิกความอยากต่างๆได้ต้องมีความสงบ ก, ก่อนมีใจที่มีความสุขในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆก็จะจะเลิกความอยากต่างๆได้ พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวที่จะไปผักดันให้ไปเกิดใหม่ก็ไม่มีการเวิ่นว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอหมดความอยากก็ถึงบ้านถึงบ้านเราถึงบ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียกว่าพระนิพพานจิตที่ชําระด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยมรรคแปดก็จะทําให้ใจ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 อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ต้องมาล้องผมล้องไห้กับลาบชดเชยเสิญกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเวลาเขาจากไปเวลาเขาเปลี่ยนไปหายไปเราก็ทุกข์กันนั่นเป็นวิธีหาความทุกข์วิธีหาการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่จะดับทุกข์วิธีที่จะหลดพ้นกับจากความทุกข์ก็คือต้องไม่ไป ทำตามความอยากต้องไม่ไปหาราบยศสารเสิรยไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการปฏิบัติต่างที่พระเจ้าสอนให้มีมรรคเป็นองค์การให้ทำทานถ้ามีเงินที่จะไปซื้อควาตามความอยากก็เอาไปทำบุญหรือจะเก็บไว้เฉยๆก็ได้เก็งไว้สาหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองหรือถ้ามันมีมากเกินไปก็เอาไปทําบุญ เพราว่าเผื่อว่าเรายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าหน้ากลับมาเราจะได้มีมีบุญนอเราอยู่เงินที่เราเอาไปทําบุญเหมือนเงินเราไปฝากธนาคารเวลาเราต้องการเราก็เบิกมาใช้ได้มีทั้งต้นมีทั้งดอกด้วยเงินที่เราทําบุญในชาตินี้ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองนอนเราอยู่้ะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทอง ไม่ต้องไปดื่นลอนไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากนี่คือเหตุผลของการทําบุญทําทานหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปใช้เงินไปตามความอยากที่ไปจะทําให้สร้างพบสร้างชาติสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายต่างๆทําบุญแล้วใจจะอิ่มจะมีความสุขจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อน คนที่ไปเที่ยวแล้วจะติดจะต้องไปเที่ยวเรื่อยๆวันไหนไม่ได้เที่ยวก็จะหมุดหงิดเริงขานใจนี่คือวิธีแก้ความ ห, มหงุดหงดความขามใจการติดการเที่ยวก็คือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนทําบุญก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมามันก็หมดไปนึกถึง สถานที mm ่ท hmm. ี่เราไปเที่ยวมาก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ถ้าเราไปทำบุญกลับมาเราก็ยังมีความสุขจากบุญที่เราทำอยู่คิดถึงบุญที่เราทำทีไรเราก็มีความสุขไม่มีความอยากจะไปเที่ยวไหนทาให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ถ้าเที่ยวนี้ต้องใช้เงินทองเที่ยวเราก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็ต้องไปดิน้นนอนหาเงินหาทองก็ต้องไปทำบาปเพราะฉะ้ น, านาการทาบุญนี่จะทำให้เราตัดความอยากไปได้ตัดการไปทำบาปได้แลวทำให้เราไปรักษาศีลกันได้เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนก้าวบันไดทำทานก่อนถ้ายัางทาทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้รักษาีินยาก ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็รักษาศีลแปดไม่ได้รักษาศีลแปดไม่ได้ก็ไปอยู่วดัดไปภาวนาไม่ได้ต้องทําเป็นขั้นขั้นไปทําบุญทําทานทุกครั้งที่ยำเงินไปซื้อของไม่จําเป็นก็ไปทําบุญแทนอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่เห็นมันสวยทั้งที่มีอยู่ต้งหลายใบก็อย่าไปซื้อเหมันเห็นเสื้อผ้ามีเต็มตู้แล้วก็ไม่ต้องซื้อ เราไม่จําเป็นอยาซื้ออยากไปเที่ยวท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็อยากไปเทำเงินไปทําบุญอยู่กเช่นะออกพรรษางานกระถินก็ไปทอดกรถินกันไปทําบุญกันอย่างนี้จะทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจทําให้เราอยู่เฉยๆได้ทาให้เราไม่ต้องไปดิ้นโลนหากระนาทองไม่ต้องไปทําบาปทําให้เรารักษาศีนห้าได้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 อะไรไม่ทุกกับการแก่การเจ็บการตายพวกเรายังมีความอยากอยู่กับความอยากอยู่กับร่างกายก็เลยต้องอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายาก็เลยเป็นความทุกข์กันใจของเราหรือใจของพระพุทธเจ้าไม่มีวันตายเหมือนกันแต่ใจาเข้าใจของอุตตเจ้าท่านหยุดหยุดเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านไม่มีความทุกข์แล้วแต่ใจของพวกเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป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 แล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับกันเพราะภาษาลกได้รับผลมาแล้วภาษาลกก็เป็นพวกเรานี่แหละที่หลังจากได้ยินได้ฟังทำห ร, รือได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ได้ผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สมวนด้วยะสิทธิ์นะแล้วก็มันเป็นเรื่องของเหตุของผลถ้ามีเหตุผลก็ต้องมี ถไม่มีเหตุผลก็ไม่มีในเหตุผลนี้ก็ไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาถึงแม้เหตุที่พระเจ้าได้ทรงมีและผลที่ได้ทรงมีผ่านมาทั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเหตุและผลนั้นก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสร้างเหตุขึ้นมาได้เราก็จะได้ผลเหตุก็คือการปฏิบัติมรกคปดหรือการปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่แล้วผลก็คือ พระนิพพานก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่ได้อยู่ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวด <Yeah. S 1> เพศเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดให้ไปนิพพานตัวที่กำหนดให้ไปนิพพานก็คือทานศีลภาวนาถ้าเป็นคารวะแต่มีทานศีลภาวนาก็ไปนิพพานได้ถ้าเป็นพระแต่ไม่มีทานศีลภาวนาก็ไปไม่ได้ พวกที่มาบวชเป็นพระแต่ไม่มาภาวนาก็ไม่มีวันไปถึงนิพพานได้แม้แมนไม่ได้อยู่ที่เพศการเป็นพระมันดีตรงที่ว่ามันไม่มันไม่มีภา ร, รกิจอย่างอื่นต้องทำเหมือนคขาราว่ามีเวลามากมีเวลาที่จะภาวนามากแต่ถ้ามีเวลาภาวนาแล้วกลับไม่ภาวนากลับไปทำอย่างอื่นมันก็เสียเวลาเปล่าๆมันก็ไปไม่ได้ เราอย่าไปคิดว่าเราเป็นหญิงเราไม่คาราวะเราไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าการจะไปนิพพานนี่อยู่ที่มรรคแปดอยู่ที่ทานสิงภาวนาไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้หญิงหรือเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็ได้สมัยพุทธกาลนี้มีผู้ไปถึงนิพพานมีทุกเพศทุกวัยคาราวะาก็มีหญิงก็มีชายก็มีนักบวชก็มี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 เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็ขอให้หมันขยันศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็หมันพยายามปฏิบัติตา่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทุกคนทําได้อยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองถ้าไปอ้างนน่นอ้างนี่ก็จะทําไม่ได้ถ้าถ้าไม่อ้าง อ้าง พ, พุทธเจ้าอ้างภาษาบกว่าท่านก็เป็นเหมือนเราท่านทำได้เราก็ต้องทำได้เราก็ทำไปทำจากจุดที่เราทำได้ไม่อย่าไปทาในจุดที่เรายังทำไม่ได้ตอนนี้รักษาสีแปไม่ได้ก็รักษาสีห้าไปก่อนรักษาสีห้ายังไม่ได้ก็ทำบุญทำทานไปเรื่อยๆก่อนตัดความอยากไปก่อนจากหยุดการใช้เงินตามความอยากต่างๆ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 มากันกี่คนมากัน7คนคะเคนนนองคนสีย้องคอเพ่อพ่อพามกระเป๋าเสียชีวิตนะ่าก็ไปต่อเสียแต่ร่างกายแต่ตัวพ่อไม่เสียนะเแต่ตัวร่างกายนั่งสมาธิกัน เราต้องใช้เวลานานไหมทุกทุกครั้งหรือว่าต้องเท่าเกันไหมคะอ๋อเวลาไม่สําคัญอ่ะถ้าเรานั่งได้ผลนี่มันจะนั่งได้นานไปเรื่อยๆอ๋อมันมีความสุขไงแต่ถ้ามันนั่งไม่ได้ผลนี่เดี๋ยวมันหงดหงิดคุณอ่าเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวอย่าไปอย่าไปดูนาฬิกาอย่าไปดูเวลาให้ดูที่สติดูที่พุทโธ พยาามไม่จิตมีพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้งานานได้นานเอ ง, อนนเองถ้าไม่มีพุโทโธเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวมันก็ลุกจ้าแบคิดนู่นคิดนี่เรื่อยๆันก่อนจะมานั่งต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนจะดีกว่าต้องฝึกพุโทโธก่อนก่อนที่จะมานั่ง ห, หัดพุดโทโธไปเป็นให้มันเป็นนิสัยไปเลย แบบเราอยู่เฉยๆก็พุทโธไป ท, า, ทางานกับพุทโธไปอาบน้ํากับพุทโธไปล้างหน้านแปลงฟันอะไรกับพุทโธไปถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าไปคิดอยากนู่นอยากนี่คิดเพ้อฝันเพอเจอ้ออย่าไปให้มันคิดคิดวิตกกังวลห่วงนั่นห่วงนี่ให้อยู่กับพุทโธดีกว่าแล้วสิ่งว่าเวลาที่ที่ถึงวา นั่งไปเราถืให้เรารู้ตามว่ะเรากำำราลังทาอะไรอย่างเวลานั่งไม่ให้ไม่ให้รู้ตามเวลานั่งก็ให้พุทโธไว้ เ, เพื่อจะได้หยุดความคิดยังรู้ตามนี้รู้ตอนที่เราไม่ได้มานั่งเช่นเรากำลังเดินให้รู้ว่าเรากำลังเดินกำลังยืนกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกำลังล้างหน้ า, อาตอนนั้นให้รู้ <คะ S 2> อันนี้เป็นเรียกวิวธีฝึกสติ<ค>ะจะรู้เวลา ให้ลมสมาธิก็ไม่ต้องไม่ตามไม่ให้คิดอะไรเลยนะให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมอย่างเดียวออต้องมีอะไรกำกับใจนั่งแล้วถ้าไม่กำกับเนี่ยมันก็จะคิดออพรานั่งแล้วถ้าใช้ลมก็ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้แค่นี้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากาลังหายใจออกถ้าถ้าเวลาพุทธโธเนี่ยเราต้องกากับกับลมหายใจไหมคะ ความจริงกำกับก็ได้ไม่กำกับก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะบางคนก็ไม่ถนัดกำกับก็ก็พุโทโธอย่างเดียว <Okay. S 1> ไม่ต้องไปรู้ลมเลยพุโทโธพุโทโธไปบางคนก็ดูลมอย่างเดียวไม่ใช่พุโทโธเลยบางคนก็กำกับพุทเข้าโทออก <Okay. S 1> ก็ได้3วิธีใช้ได้สวิธีแล้วแต่อันไห น, นเราใช้ถนัดอันไหนเราก็ใช้นั้นไป เป้าหมายก็คือให้เรามีงานทำจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจมีงานทำถ้าใจไม่มีงานทำเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ mm. นี่ก่อนจะมานั่งแบบนี้ได้ต้องมีสติกำกับไว้ก่อนแล้ว mm. ต้องไม่คิดแล้วถ้าคิดถ้ายังคิดอยู่มานั่งมันก็จะสงบยากนันคือฝึก mm. ในชีวิตประจำวันไปจอ่อน ได้พุโทโธไปในชีวิตประจําวันก็ได้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปก็ได้เป็นทั้งสองอย่างก็ได้กําลังแปลงฟันกับพุโทโธไปด้วยก็ได้อย่าไปเพิ่มคิดเพิ่มเจอเพิ่มฝันไปคิดวิตกกันวนวงวลหงายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนะแล้วเวลานั่งจะนั่งได้นาน ถ้าสงบแล้วบางทีนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยรุ่นนี้เป็นเรื่อยยังก็นั่งไม่ไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นไมากําลังคุยกันสุนทาธรรมกันทางต่อบปัญหาธรรมใครมีคําถามอยากจะรู้อะไรก็ถามได้หนังเสือซีดีหยิบได้เลยไม่ต้องเก่งใจเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านนะอย่าไปตั้งไว้เฉย หนังสือมีไว้ให้อ่านตอนจะกลับค่อยบิดด้วยนะครับเดี๋ยวก็ยัดนั่งฟังไว้ก่อนนั่งฟังไว้ก่อนก็ได้ถามว่ามาขณะเรียนถามอาจารยเรื่องความเจ็บป่วยอะคะอ่ะที่ที่เผชิญอยู่ในทุกวันนี้อือในแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องเจ็บป่วยที่เข้ามาเรื่อยๆเหมือนไม่จบไม่สิ้นคือ ต, ตอนนี้ใจก็จะรู้สึก มองดูเฉยๆแล้วก็วาง อ, อย่างเมื่อเกิดทุกขเวทนาเช่นเจ็บหรือว่าคันก็จะเหมือนมองอยู่อย่างนีทาว่าถูกหรือล่าแล้วละให้สักแต่ว่าเราเขาหยุดช่วงหนึ่งซึ่งแพ้ยาที่ทานแล้วผื่นขึ้นทั้งตัวเออคือโยมก็จะแบบณนะจุดหนึ่งที่คันมากๆ ม, ม, มันเหมือนมันหยุดหมดเลยทิ้งลงไปหมดเลยใน ร, ระหว่างนั้นก็คือพุโทโธพุโทโธอ่าถูกต้องถูกต้องใช่ไหม อ, อย่าไปยุ่งกับมัน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 แต่บางครั้งก็แบบท้ออะค่ะว่าท้อเพราะอยากไงเพราะอยากให้มันหายไม่อยากไม่อยากไม่อยู่ไม่อยากไม่เจอสภาพอย่างนี้ไม่ได้มันถึงท้อเราต้องยอมรับว่ามันเป็นผลของการมาเกิดเนี่ยต้องต้องสอนจว่าเนี่ยสมน้ําหน้ามึงอยากจะมาเกิดถึงต้องมาเจออย่างนี้ถ้ามึงไม่อยากจะเจออย่างนี้ก็อยากกลับมาเกิดต้องสอนมันถ้าอย่างนี้นะมันจะไม่ท้อมันจะว่าเออ ยามาก็ขั้งสุดท้ายต่อวันนี้ไม่กลับมาเกิดแล้วเข็ดแล้วคือเหมือนใช้ไปให้หมดหมดไปให้มันตายไปพอตายมันก็จบ<ม>แล้วถ้าไม่มีความอยากมาเกิดก็ไม่มาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาเจอมันเน่ยความอยากให้มันหายก็จะทําให้เรากลับมาเกิดใหม่เราอยากจะให้ได้ร่างกายดีๆก็คิดว่าก็ต้องเอาร่างกายอันใหม่ร่างกายเก่าไม่ดีก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เดี๋ยวมันก็ไปเกิดใหม่เองให้เราต้องทําใจเฉยๆว่าเนียเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วต่อไปก็จะไม่กลับมาเจ็บอ่ า, อาใจไม่เจ็บใจไม่เจ็บใจจะเฉยๆสักแต่ว่าแล้วเวลาภาวนาพุทโธเนี่ยตอนที่จะเข้าห้องผ่าตัด ก่อนที่จะจะมีห้องพีออกมาค่อจิตตอนนั้นจะรวมรวมได้ดีมากกว่าเวลาปกติที่ใช่เพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งแล้วมันเราต้องพึ่งพุโทโธอย่างเดียวอันนั้นคือที่พระอาจารย์เคยสอนว่าอยู่ในภาวะครอบครับนะบใช่ครอบครับนักภาวนาจริงๆมักจะไปหาที่หน้ากลัวกันพอไปด้ยินเสียงเสือคำรามนี่มันจะพุโทโธพุโทโธเลยมันจะไม่อยากจะไปคิดถึงเรื่องอะไรพอคิดถึงเรื่องเสือแล้วมันยิ่งกลัวใหญ่ ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องผ่าตัดเราก็จะยิ่ยงกลัวใหญ่พูโทแล้วก็จิตก็สงบสงบแล้วก็เหมือนเหมือนกับเ <c oughs> หมือนกับฉีดยาสลบให้กับใจใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ไม่วุ่นวายใจเนี่ยมันต้องเจอเหตุการณ์จริงๆมันถึงจะบังคับให้เราทำจริงๆให้เราพูดโทรจริงๆพอเราพูดโทรจริงๆเดี๋ยวพูดโทก็เป็นที่พึ่งของเราขึ้นมา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 ถ้าไปคิดว่าเป็นร่างกายของเราอยากให้มันหายอยากให้มันไม่เจ็บนียมันก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาตัวคิดนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าคบส่วนใหญ่เราคิดไปทางกิเลสกันคิดไปในทางธรรมก็ได้คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราคิดว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราคิดว่าเรื่องการเจ็บไา้ได้ปวดเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปฝืนมันอย่าไปอยากให้มันหายไปเราสั่งมันไม่ได้ มันจะหายมันหายของมันเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปให้คิดแบบนี้คิดเป็นธรรมถ้าคิดแบบคิดเลยโอ้ยอยากจะหายว่าทนไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วเกินอันนี้ยิ่งทําให้ใจเครีคดยดขึ้นมา ใ, นใหญ่เอ อ, อ, อนุญาตอาจา ร, ร, รย์เมตตาสอนคน ข, ข้างตัวด้วยค่ะเช่นสามีและลูกพี่เขาอยู่ด้วยเขาต้องเขาก็ต้องทําใจก็ต้องมองว่าร่างกายของแต่ละคนนี่เป็นเพียงคนรับใช้เรา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 หัดทำใจหัดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำใจได้ขอข่าวเรียนถามนะคะว่าเกิดผิดกับวิาณขันธนี่เขาคนตะเกีรือว่าเขาคงเกิดเดียกันคือตัวจิตนี่มันในตัวจิตนี่มีตัวรู้ตัวคิดตัวคิดนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นตัวคิดนี่มันก็มี สามสี่ส่วนด้วยกันตัวคิดแล้วก็ตัวที่ไปรับรู้เรื่องต่างๆทางตาหูจมูกเล่นกายตัวนี้เราเรียก ok ว่าวิญญาณวิญญาณนี้เป็นผู้ไปทำหน้าที่เชื่อมใจกับร่างกายสมมติใจเป็นคนขับรถรถยนต์เป็นร่างกายใจก็ต้องเหยียบเวกมีพวงมาลัยในตัวเชื่อมอ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 มันก็จะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาถ้าไปเห็นรูปไม่ดีเราก็จะคิดว่าโอ้ยไม่อยากให้เขาอยู่เ้วอยากให้เขาไปเราก็จะทุกข์เวลาเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบนี่คือการทำงานของของขันที่เราเรียกว่านามขันที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายตัวที่เชื่อมเรียกว่าสัวิญญาณมีอยู่ห้าวิญญาณ วิญญาณทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณเนี่ยมีอยู่5ห้า ห, าหาเส้นด้วยกันที่จะรับความรู้ทางที่ทางที่ร่างกายได้รับมาส่งมาให้ใจรับรูท้ทีแล้วใจก็จะไปไปไปชหระว่ามันเป็นรูปดีรูปไม่ดีรูปดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมารูปไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เรากิสุขกิดทุกก็เกิดสังขารความคิดความอยากขึ้นมาถ้าดีก็อยากให้อยู่นานๆถ้าไม่ดีก็อยากให้หายไปจนเวลาเจ็บปั๊บที่ก็อยากจะให้มันหายพอมไม่หายมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่พระเจ้าบอกว่าเราต้องมาแก้ตรงนี้แก้ตรงความอยากอยากไปอยากให้เขาอยู่เลือกไปอยากให้เขาไปพอเวลาอยากเขาอยู่เวลาเขาไปเราก็เสียใจเวลาอยากเขาอยู่เขาไม่ไป เวลาอยากย็ไปเขาไม่ไปเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเฉยๆเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเราก็จะไม่ทุกข์เป็นแต่เรารู้ว่ามันสุขแล้วไม่ทุกข์สุขแล้อไม่สุขจนเวลาสัมผัสกับอากาศดีสบายเราก็มีสุขเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วดไปก็ทุกข์แต่เราอยู่กับมันได้เราจะอยู่ได้อย่างสบายใจถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไปหรืออยากให้มันอยู่ เอวานนี้เราอยู่อย่างทุกข์กันได้สัมผัสอะดีก็อยากจะให้อยู่มันก็วิตกกังวนลนะมันจะอยู่หรือเปล่าห่วงเป็นห่วงเป็นกังวลขึ้นมานะแล้วพอไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีก็อยากให้มันหายมันก็ไม่ไปมันก็ทุกข์อีกแล้วเรามาฝึกใจตรงนี้ฝึกใจให้เรารู้เฉยๆวิธีจะรู้เฉยๆได้ก็ต้องทําใจให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธิก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธไป ถามีพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันจะเดึงใใจไปอยู่ตรงจุดที่นิ่งให้ดูเฉยเฉยไม่ให้สังขารปรุงแต่งไม่ให้เกิดความอยากนี่เกิดตัวที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเราอาณาขอพวกเราตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงที่เฉยเฉยมันช่าบมาอยู่ตรงที่รักหรือฉังกลัวหรือหลงพอเห็นอะไรปั๊บจะรักจะชังจะกลัวหลงขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมา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 ใครจะได้ยินอะไรก็จะเฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยร่างกายเจ็บหรือไม่เจ็บก็เฉยแล้วก็จะอยู่กั น, นไปร่างกายจะอยู่หรือไปก็เฉยไม่เดือดร้อนโอเวขาที่เวลาเราได้จากสมาธิเรารู้สึกเชนั้นว่าเรามีโอเบทขาแต่พอที่จะมาพิสูรจน์จริงๆนะเราต้องพิสูจน์ข้างนอกว่าเวลากระทบ<ม>แล้วเรากันเตือนกับเพื่อมาก<ม>แค่ไหนทําไมลรู้สึกว่า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 อยากให้เขาหยุดพูดไม่ได้พออยากแล้วเขาไม่หยุดเราก็จะทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาได้เราก็จะรักษาเบรคขาได้อย่างถาวรถ้าใช้ <คง S 2> ถ้าใช้พูดโทรก็จะต้องรักษาไปเรื่อย <คง S 2> ๆต้องพูดโทรไปเรื่อยๆต้องย้ดัต้องเจออะไรปั๊บก็ต้องพูดโทรพูดโทรไปให้อย่างเดียวพอจะไปรักก็ต้องพูดโทรพอจะไปชังก็ต้องพูดโทรมันถึงจะหยุดได้แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะเลิกรักชัง อย่างท้าวอลเลยต่อไปใครจะด่ากี่ล้านครั้งก็จะเฉยไก็ต้องใช้ตอนที่มันเกิดปัญหาเลเกิดปัญหาเรามองเนี่ยเขาด่าเราเนี่ยเราห้ามเขาได้ปะก็ฝึใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่เวลาฝนตกฟ้าร้องนี่เราห้ามเขาได้ปะทำไมเราไม่เดือดร้อนนะพระเราไม่มีความอยากเขาไม่ร้องใช่ไหม เราทำไมเสียงคนเขาด่าเราทำไมไปอยากให้เขาไม่ดา่เาเราก็ปล่อยเ้าดา่าเ<ๆ>ขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องไปก็หมดเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่เราไปคิดว่าไม่เป็นธรรมชาติเราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ใช่ธรรมชาติํายิงคนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเสียงเสียง <u> <ๆ>ออกมาจากปากคนก็เหมือนเสียงจากเสียงฟ้าร้องดีๆนี่เรื่เราต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางเขาอย่าไปอยากให้เขาหยุดเริ่มไม่หยุด พราะเราห้ามเขาไม่ได้อเอแล้อปล่อยวางเราหยุดความอยากของเราอยากไปอยากให้เขามันก็จบปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราเองพออยากให้เขาหยุดแล้ว เ, เขาไม่หยุดแล้วก็ทุกเวลาเขาพูดดีก็อยากให้เขาพูดไปเรื่อยๆพราะเาหยุดพูดก็หนาน้อยใจเสียใจทําไมวันนี้ไม่ชมเลยเคยชมอยู่ทุกวันเพราะวันนี้ไม่ชมก็เสียใจแหละนะอยากไป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 การมีอุเบกขาเนี่ยดีมีความสุขขนาดไหนแล้วต่อไปก็พยายามรักษาอุเบกขาทุก <c oughs> เวลาออกจากสมาธิมาสติระหว่างวันนี้สำคัญมากนะครัทุกเวลานาทีเลยสตินี่ขาดไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าถึงบอกสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีถ้ามีสติแล้วจะมะีมีสิ่งคุ้มครองใจใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ตั้งแต่ตื่นนอนมาเรารู้ตัววันนั้นนี่ถ้านัสมาธิจะดีมากใชพอเราตั้งเริ่มต้นด้วยสติไงถ้าเราเริ่มต้นด้วยความคิดปรุงแต่งมันก็ไปเลยกังวล เ, <อ>เรื่องนั้นหว่วรื่นั้นมันก็ไหลไปเลยแต่พอเริ่มต้นเมื่อตาขึ้นมาตั้งสติก่อนเลยพุโทโธก่อนไปเลยก่อนที่มันจะไปคิดเรื่องอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปตอสนสมาธินี่วันแค่กลารที่ความคิดมันหยุดแล้วก็หยุดที่แค่รู้ อ, อตัวรู้และกุเบคาไงแล้วก็ความสุขที่เกิดจากกุเบกขาก็จะทําให้เราไม่ไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่สนใจใครจะชมก็ได้ใครจะด่าก็ได้เป็นผลของสติก็คือสมาธิมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่อยู่นานออกจากสมาธิมามันก็จะหายไปถ้าปล่อยให้มันเริ่มคิดปรุงแต่งมันก็จะหายไปก็ต้องใช้สติดึงไว้ต่อแต่มันก็ต้องดึงไปเรื่อยๆ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 ปล่อยเขาเขาจะอ ย, อยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเหมือนฝนฟ้าอากาศเมื่อวานนี้มาดูที่นี่มืดครึ้มไปหมดฝนตกเพราะฝ น, นสาดกันทําอะไรไม่ได้ก็นั่งอุเบกขากันนั่งสมาธิกันสาสกว่านาทีนั่งสบายไม่มีใครบน่นเพราะทําอะไรไม่ได้ไหัดฝึกทําสมาธิเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้เราก็จะไม่เครียด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 ต้องยอมตายยอมเจ็บเลยถ้ายอมตายยอมเจ็บได้แล้วจะไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเราเข็มทิปที่จะพอช่วยชีวันแล้วก็บอกเราได้ว่าเรายังคงปฏิบัติอยู่บนทายที่ถูกอยู่ก็เราต้องมีศีลเป็นตัวพื้นฐานเราไม่ทำบาปถ้าเราเริ่มทำบาปเราเริ่มออกนอกรูนอกทางแล้ว แล้วถ้าเราเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆาาก็เป็นการออกนอกอูกนอกทางเอาเงินไปซื้อความสุขไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอันนี้เรียก ว, ว่าไปไปผิดทางเงนใช้ได้อย่างดีวก็อเอาไปทาบุญหรือแม่นก็อาไปซื้อของจำเป็นซื้อกับข้าวกับปลาหารจ่ายค่าน้ำค่าไฟถ้าไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นนี่เรียก ว, ว่าไปหลงทางละ แล้วถ้าไม่มีสติก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่ไมก้าวหน้าแล้วบอกว่าเราลืมสติก็เถิดความเพียรทุนใจใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวล้วอยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ห่วงวิตกกังวลห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อะไรแสดงว่าเรากํำลังไปทางความอยากไปทางความหลงแล้วยังไม่เห็นตายรักต้องเห็นตายรักเห็นอนุภาพเห็นร่างกายใคร ที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าสวยงามต้องมองให้เห็นว่ามันก็เป็นค่สวยค่าผิวหนังมองเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็ไม่มีอะไรน่าดูละต้องเห็นอสุภะเห็นเห็นอาหารก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอุจจระมันจะได้ไม่อยากกินถ้าเห็นอาหารในจานแล้วมันอร่อยมันอยากจะกินขึ้นมาเพราะนั้นที่กินอิ่มแล้วก็ยังอยากกิน ถ้าอิ่มแล้วยังอยากกินก็ต้องมองว่ามันเป็นอุจจาระเดี๋ยวมันก็กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องถ่ายออกมาอื ม, อมวันพรสินแปดกันนะคะมันมันพระที่สิ้นแปดกันเหรอคะเกษีถือสิ้นแปดได้เลยใช่ครับแล้วก็บางครั้งก็สิ้นห้าสิ้นห้ามี 1. นึห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามรับสัตว์สห้ามปรับผิดพลดในการสี่ห้ามพูดปลดพูดปลด 5. ้าห้ามดื่มสุร่ายาเมาโอเคสี่ทำได้ไหมแล้วสินแดมีห้ามีแฟนห้ามนอนานอนกับแฟนไม่ใช่การมีได้ห้ามนอนกับแฟนแล้วก็ ห้ามนอนที่นอนสูงไม่ห้ามนอนที่นอนที่มันสบายอ่านอนบนที่นอนไม่สบายเช่นนอนบนพื้นแข็งแข็งเดี๋ยวหาว่านอนต่ำได้ก็เลยเอาเบาะมาวางไว้ที่พื้นนี่ได้ห้ามนอนบนเบาะห้ามนอนไม่นอนบนฟูกนาๆนอนบนพืนไม้อย่างนี้นอนได้ดีวีแล้วก็ ห้ามห้ามฟังเพลงแล้วก็ห้ามดูทีวีค่ะอ่าทำได้ปะทําม่ไม่ด้วยก็เลยไม่ดูไปไม่ไม่ขอลองดูเลยอยากจะดูละครอยากจะดูหนังก็แต่เส้นห้าดูได้แต่แต่เสี้นแปดที่ไม่ทันเข่าวเย็นของเขาก็คือเขาล่นเวลามาให้มันเป็นเป็นพายนจ้าค่ะเส้นแปดแล้วก็มีห้ามห้าม กินข้าวเย็นค่ะอ่ากินข้าวเย็นแล้วก็จะกินข้าวบ่ายได้ฮะออกไปต้องหันไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วจะทําได้ไหมหลังจากสิบสองโมงแล้วไม่กินและได้ได้หรอแน่ใจหรอเองไม่กี่ชั่วโมงเองทํามังไม่ได้อค่ะแต่ตอนสิบแปดทากินข้าว ทำกินหลังเข้าเย็นคเทากินหลังเที่ยงทำข้าวกินทำกินข้าวหลังเที่ยงค่ะทำคิดข้าวหลังเที่ยงวันนะ<ห>อวันนั้งทําตามแม่ดูมแม่ก็ไม่กินเราก็ไม่ต้องกินค<ห>่ะนะมีอะไรไหมจะได้ทางบ้านก็ถามบ้างนะอ่า<ห>อ่เอาเข้ามาเลยครัำถามแรกนะครับจากคุณนิพนนะครับกราบน้มาสการครับ ผมขอความเมตตาเรื่องสมาธิครับเมื่อเราพุโทโธจนจิตเรานิ่งกับพุโทโธแล้วจิตรวมเป็นสมาธิเราพอแล้วถอนออกจากสมาธิโดยกำหนดว่าต่อไปนี้เราจะถอยออกจากสมาธิเพื่อพิจารณาอสุภะผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับผิดประการใดขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับถ้าพิจารณาได้ครับพิจารณาไปถ้าพิจารณาแล้วมันฟุ้งซ่านก็อย่าเพิ่งพิจารณา มาทำสมาธิมาฝึกสติไปก่อนให้สติมีกำลังมากให้สมาธิเราเข้าออกได้นานออกมาพิจารณานี่อาจจะไม่มีกำลังพอพิจารณาได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเผยไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วเวลาจะกลับเข้าไปในสมาธิก็จะยากยิ่งถ้าเรายังไม่ชนานาญในการเข้าออกสมาธิพยายามฝึกสติ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 จะได้รู้จักวิธีหลบหลีกได้ถ้าเรายังไม่ทํางานเดี๋ยวไปเจอรถก็หลบไม่ได้ยกเรื่องอื่นมาพิจารณาใช่อย่าเพิ่งไปพิจารณาเพราะพิจารณาแล้วบางทีมันไม่เป็นปัญญามันจะกลายเป็นกิเลสแล้วมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมามแต่ถ้าพิจารณาได้พิจารณาแล้วจิตสงบปงได้วางได้ก็พิจารณาไปแต่ถ้าพิจารณแล้วยังปองไม่ได้ยังวางไม่ได้ก็มา ฝึกทำสมาธิให้ชำนาญก่อนจะดีกว่าให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการนั่งห้านาทีก็สงบอย่างนี้ไม่ใช่นั่งไปโอ้กว่าจะสงบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนีอย่างนี้แสดงว่าสติยังไม่ดีมาฝึกสติก่อนดีกว่าให้มีสติอย่างต่อเนื่องเวลาออกจากสมาธิมายังไม่ต้องไปพิจารณาก็ได้ว่าฝึกมาฝึกสติต่อพุโทโธพุทโธมาควบคุมความคิดก่อน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 การพิจารณาปัญญาเดี๋ยวมันก็ฟุ้งได้ถ้ามันพิจารณาเลยเถิดออกนอกรูนอกทางไปไปทางกิเลสเมื่อไหร่มันก็จะฟุ้งขึ้นมาดูาทางปัญญามันก็อาจจะฟุ้งได้พิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันก็จะทําให้ไม่ไม่ได้ผลดีเห็นออกมาจากสมาธิจะพิจารณาปัญญาก็ได้แต่ต้องระวังอย่าให้มันกลายเป็นกิเลส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 นั่งสมาธิก่อนลงตัวนอนสักสิบห้านาทีจะได้ไหมคะนัน่งก่อนจะนั่งสมาธิก่อนนอนก่อนนะโ <c oughs> ง่จะไม่เตือนแล้วเลยคาถามต่อไปนะครับเรียนถามผ้าอาจารย์ค่ะาจากกุณอุบาสิกานะครับเรียนถามผ้าอาจารย์ค่ะหลวงตามหาบัวเคยเล่าเรื่องที่ท่านไปถามหลวงปู่มั่นเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาปหลวงปู่มั่นตอบอย่างไรหลวงตาจึงเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านั้นคะ่ะ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 ทางจิตใจกับทางที่บุคคลที่เราไปทําบุญเขาจะทําอะไรกับบุญที่เราทํากับเงินที่เราให้เขาไปเช่นถ้าเราทําบุญกับใครกับพระหรือกับโยมโดยที่เราใช้เงินจํานวนเท่ากันความรู้สึกทางจิตใจมันจะเท่ากันเราจะมีความสุขใจเหมือนกันเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือพระหรื อ, รอช่วยเหลือโยม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 รักษาเรียวยาร่างกายแล้วก็ไปทำกับหมอไปทำกับโรงพยาบาลถ้าอยากจะได้วิชาความรูก้ก็ไปทำกับหมหาวิทยาลัยไปจ่ายค่าเราเรียนแล้วก็ไปเรียนกับเขาใช่อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างที่เราการทำบุญของเราแต่ถ้าเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากคนที่เราไปทำบุญด้วยทำกับใครก็เหมือนกัน มีความสุขใจเหมือนกันไปปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาก็ได้ถ้าปริมาณเงินเท่ากันนะถ้าจะสุขมากสุขน้อยเรานี้ต้องอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราเสียสละถ้าเราเสียสละมากก็จะสุขมากถ้าเสียสละน้อยก็จะสุขน้อยอแล้วก็จะเป็นเงินที่เราไปฝากในธนาคารบุญด้วยถ้าเราทํามากชาติหน้าเรากลับมาเกิดก็จะมีเงินมากรอเราอยู่ เหมือนกับเราเองินไปฝากธนาคารเนี้ยฝากน้อยเราไปเบิกมันก็ได้น้อยถ้าฝากมากเวลาไปเบิกก็จะได้มากเบิกคืนมาก็จะได้มากแล้วมีดอกทบด้วยมีดอกเบี้ยให้ด้วยนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างการทาบุญกับบุคคลต่างๆคำถามต่อไปจากคุณน้านะครับโยมกำลังเป็นห่วงในหลวงอย่างมากโยมจะจับทุกข์ในใจอย่างไรดีเจ้าคะ่ะ ไม่รูเหมือนกันเรื่องของโยมเลยถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องใช้ธรรมะของท้าเจ้าพราเจ้าให้พิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ก็ถ้ามีธรรมะอนนี้เราก็จะหายทุกข์ได้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 คำถามต่อไปจากคุณเอเอกคุณครับกราบเรียนถามเรื่องการรักษาสินแปและสินอุโบสถถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าข้ออื่นอื่นจะขาดด้วยไหมครับไม่ขาดหรอกของใครของมันเราไม่ได้ไปพูดปวดเราเราไปกินเหล้าจะทำให้เราเราผิดที่ข้อพูดปวดได้ยังไงไ ม, ไม่ขาดหรอกคำว่าเขว่าถานก็หมายถึงว่าไม่บริสุทธิ์นะคือสีนมันไม่บริสุทธิ์มันไม่ครบร้อยเข้าใจขาดไปข้อหนึ่งมันก็ไม่บริสุทธิ์ มันได้แค่80 90ิบเอร์ซตสิบนแต่มันไม่ทําให้สิลข้ออื่นขาดไปด้วยก็เราไม่ได้ไปทํามันไปขาดได้ไงใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ไปพูดปดเราไปดื่มสุลาร์มันจะไปขาดหมดทุกข้อได้ยังไงดีกว่าไม่ถือเลยอ่นั่นแหละคนไม่เข้าใจเว่าคําว่ามันขาดก็คือมันมันไม่ครบร้อยอ่มันไม่ได้ขาดหมดมันไม่ครบร้อย ถ้ารักษาได้เจ็ดข้ออย่างเงี้ยมันก็ได้ 7, ได้เจ็ดในแปดก็ไปหารดูกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> ถ้าผิดสี่ข้อก็ได้แค่ร้อยละห้าสิบได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าถือสิแ่แได้ไม่ครบข้อไม่ทานอาหารหลังเที่ยงเนื่องจากสุขภาพนี้ ก็ขาดไปข้อห น, อนึ่งเลยมันก็มาเปมนปมันก็จะมีปัญหาเวลาภาวนา<ช>อ๋อภ า, าวนามันก็จะง่วงง่วงนอ น, อนกินแล้วมันแล้วก็เสียเวลาถ้าเรากินไม่กินหลังเที่ยงเราก็จะมีเวลาว่างไปตั้งแต่เที่ยงไปถึงเวลานอนเลยสิบโสิบชั่วโมงแต่ถ้าเรามาพวกร้องวังกินอาหารเย็นอีกก็ต้องรออีกหชั่วโมงเสียเวลาจะภาวนาก็เดี๋ยว ก็มันไม่ต่อเนื่องโควิาเสร็จเดีวต้องหยุดมากินข้าวอีกแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนรถเนี่ยรถวิ่งไปแล้วต้องหยุดแวะเติมน้ำมันกับว่ารถที่ไม่ต้องหยุดแวะเติมมันไหนมันจะวิ่งไปได้เร็วกว่ากันใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าต้องทานยาหลังอาหารมือ้อหนักอะไรที่แบบยาต้องทานหลังอาหารพร้อมอาหารทันทีนี้นะคะอันนี้ทำยังไงคะเราต้องเลือกล้วว่าเราจะเอาอะไรเราจะเอาเส้หนหรือเราจะเอายาเนาะ ต้องคิดค้นเราพิจารณาเองใช่ไหมครับต้องพิจารณาเองคํารถามต่อไปจากคุณสุพัชรานะครับมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่สามารถทําสมาธิถึงขั้นฌานได้ต้องมีศีลแปดอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะปรับสายตู้เจ้าค่ะคือถ้ามีไม่มีศีลแปดเดี๋ยวก็ไปนั่งดูหนังแทนีเมานั่งสมาธิกันแท้ยากกว่า ถ้าเรารักษาสินหแล้วเราไม่ทำไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้เหมันก็เหมือนกับสินแปดถ้าเราไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นคือแล้วถ้าเราไปทำมันก็ทำให้เราไม่มีเวลามาทำสมาธิกันถ้ารักษาสินแปก็ไปกินเลี้ยงไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้มันก็มีเวลามานั่งสมาธิกันครับหมดแล้วใช่ไหมครับอ่า อีกคำถามนึงครับนมัศ ก, การาจากคุณอยู่กับปัจจุบันอยากทราบเรื่องบัวสีเหล่าว่าเราจะสามารถพัฒนาขึ้นในปัจจุบันชาติไหมคะได้ทุกคนมีโอกาสถ้ามีพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราสามารถพัฒนาได้เพราะพุทธศาสนานก็เป็นเหมือนโรงเรียนที่เราสามารถเริ่มต้นตั้งแต่กรหนึ่งไปถึงระดับปริญญาได้บัวสีเหล่าก็คือเหล่าต่ําสุดก็คือพวกที่ไม่เชื่อ เรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นะตรงนี้เขาก็จะไม่เข้าวัดกันเขาจะไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาธรรมกันตรงนี้ก็ถือเป็นพวกที่ไม่ไปโรงเรียนกันตรงนี้ก็ไม่มีวางเรียนจบปรบิญญาได้ไบ่วบวเหล่าที่สองก็คือพวกที่ว่าเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงเวีนว่ายตายเกิดมีจริงนิพพานมีจริงก็จะเริ่มรักษาศีลทําบุญใส่บาตรแล้วก็ หัดนั่งสมาธิในวันพระอะไรอย่างนี้นีบ่บัวเหล่าที่สองคือคาราวะาญาตยงพวกที่สามก็คือพวกที่เริ่มปฏิบัติจริงๆแล้ว เ, เริ่มไปบวชกันละถือศีลแปกันเริ่วบวชเป็นพระกันแล้วก็หัดนั่งสมาธิกันฝึกสมาธิรักษาศีลกันตลอดเวลาก็จะมีมีมีโอกาสที่จะได้สมาธิกันพอ พอจิตสงบปั๊บก็จะเข้าใจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะเป็นบัวเหล่าที่สี่ไปพวกที่เข้าใจเข้าถึงรมคําสอนพระเจ้าเข้าถึงปัญญาก็เป็นพวกบัวเหล่าที่สีก็จะเหมือนกับพวกบัวที่ได้รับแสงสว่างแห่งทับแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี่ก็มีสี่พวกพวกที่ไม่เชื่อบา ป, ปุญนญนทุกทษก็พวกที่เป็นอาหารของปูของปลาไป พวกที่เชื่อบนเชื่อบาปก็ทาจากการทุกได้ต้องออกบวชออกบวชเพื่อฝึกสมาธิกันยังแต่ยังไม่ได้สมาธิกำลังหัดกันอยู่พวกที่สี่นี้เป็นพวกที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วพอได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้เลยมีสี่พวกได้กันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแมรี่ครับมีสามคำถามนะครับ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 เป็นนักบวชก็ต้องบวชแบบเป็นแม่ชีไปแม่ชีก็มีสองพวกแม่ชีที่ถือศีลแปดกับแม่ชีที่ถือศีลสิบพวกที่ถือศีลสิบก็ไม่แตะต้องเงินทองอพวกที่ยังแตะต้องเงินทองอยู่ก็ถือศีลแปดไปแล้วพวกที่ถือศีลแปดก็มีสองพวกพวกกนหัวกับไม่โกนหัวก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน อ, อันนี้เป็นเรื่องของศีล แตเรื่องของการภาวนาก็ต้องภาวนาเหมือนกันต้องพุโทโธต้องเจริญสติต้องทําใจให้สงบต้องอพิจารณาปัญญาเหมือนกันถึงจะบรรลุได้ก็มีหลกักหลากหลายด้วยกันถ้าเราอยากจะมีศีลแบบเคร่งครัดก็ไปอ่านพระวินัยของภิกษุณีภิกษุณีมีศีลกี่ข้อเราก็หารักษาเอาเองร <laughs> ักษาเป็นสามร้อยข้อเลย รู้แล้วรู้รอดไปสิวาทำไมเขารักษาได้เราทําไมรักษาไม่ได้ได้แต่ก็ไม่จําเป็นอ่ะศีลแค่ศีลแปนนี่ก็พอครับสําหรับการที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนะไอ้ที่มันมากๆากนี่มันสน่วนใหญ่มันเป็นกฎระเ บ, บียบอ่าเป็นระเบียบมากกว่า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 อันนี้ก็เป็นสินสินเล็กๆกน้อยสินย่อยศิลหลักก็เหมือนกันสินหลักก็มีแค่สีข้อด้านห้าของพระไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่เสกกามแล้วก็ไม่โไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิลหลักของพระถ้าขาดสี่ข้อ น, นี้ก็ขาดจากการเป็นพระไปส่วนศีหนึ่งก็เป็นศินรองออมาเช่นไม่ให้อยู่สองต่อสกับสีกาคุยกันไม่ให้เกี่ยวพูด พูจาเกี่ยวพาราศีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นศีลรองออกมาเพื่อรักษาความสวยงามของพระและรักษาการที่จะไปเสี่ยงกับการที่จะไปทำบาปต่อไปเท่านั้นเองอยังความจริงศีลหลักๆของพระของนักบวชทั้งหมดก็มีแค่สี่ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์รักษรัพประพฤติผิดไม่เสกกามแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงส่วนศีลข้ออื่นก็เป็นศีลสนับสนุน เงินสินแปดนี่ก็เป็นสินสนับสนุนไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปนอนบนที่เนอะที่อะไรต่างๆนี่เป็นสินสนับสนุนเท่านั้นเองงั้นไม่ต้องกังวลมากนะว่าไม่มีสินจะไม่มีภิกษุนี้แล้วจะไปบรรไปเป็นไปนิพพานไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกขอให้มีสินห้านนี้ก็ไปได้แล้วสินห้าแต่ได้สินแปยิ่งดีมันจะได้ง่ายมันจะได้มี ไม่มีสิ่งที่จะมาลากให้เราไปทำอย่างอื่นเท่านั้นเองอีกสอข้อนะครับจากคุณอารนะครับนั่งสมาธิแล้วเห็นอดีตชาติของตัวเองเห็นเห็นสมุดบัญชีบุญการทำโทษสินข้อกามการทำโทษสินข้อมุสาและทำโทษศินข้อห้าผมต้องทำอย่างไรครับก็ให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็รู้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสอนเรา ว่าทำบาปแล้วมันจะมีผลเสียหายกับเราเราก็อย่าทำเมือนเวลาที่เราทำผิดโดนเขาจับก็เขาก็บอกว่านี่ทำผิดนะต้องไปลงโทษนะไปขังคุกสามปีเพื่อให้เราเข็ดหลาบอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเราเคยทำบาปแล้วเราไปรับโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะได้ไ ม, ไม่ทำต่อไปอก็คือต่อไปนี้เราก็อย่าไปทำบา ครัางสุดท้ายจากคุณเดียนะครับคนตายไปแล้วเราทําบุญแบบไหนจะรู้ว่าเขาได้กินครับหนึ่งเราต้องเขาต้องเขากับเราต้องติดต่อกันได้ให้ได้ก่อนเพื่จะรู้จริงว่าเขารอรับบุญของเราหรือเปล่าคนบางคนเขาไปเขามีบุญแล้วเขาก็ไป ม, มารอรับบุญของเราเช่นบางคนเขาทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันนี้เขาตายไปเขาไม่ต้องมารอรับบุญของใครเพราะเขามีบุญเต็ดตัวไป งั้เราไม่รู้ว่าคนตายไปแล้วนี่เขาจะรอรับบุญหรือเปล่านอกจากเรามีกําลังของสมาธินั่งสมาธิแล้วสามารถติดต่อคนตายได้ถ้าเราติดต่อไม่ได้เราก็ทําไปเผื่อไว้เท่านั้นเองเผื่อไว้ว่าเกิดเขาไม่มีบุญและคอยรออยู่เขาก็จะได้บุญแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรอรับอยู่หรือเปล่ปาอันนี้เราไม่มีวันรู้ได้นอกจากเรามียานนั่งสมาธิแล้วสามารถติดต่อกับคนตายได้คนบางคนมี บางคนบางคนไม่มีบางคนนั่งสมาธิแล้วก็ยังไม่มีก็มีอันนี้เป็นความสามารถพิเศษอันนี้ก็ถ้าเรากังวลเราห่วงใ ย, ยคนที่ตายไปแล้วก็ทำไปเท่านั้นเองก็จะรอรับหรือไม่รอรับเราเราไม่มีวันดูได้อคาถามหมดพอดีน ะ, ะเวลาก็หมดพอดีญาโยงก็อยากจะกลับพอดีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิเพจางาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธาน